วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สี่มีนาคมพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธาชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้มาวัดเพื่อมา หาแสงสว่างแห่งธรรมเพื่อการสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เป็นรถที่ชนะรถทั้งปวงรถของธรรมเป็นรถที่วิเศษที่สุดเพราะเป็นรถของวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่มีรถอะไร ใดๆในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นรสที่ได้จากการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองรสที่ได้จากการมียศมีตำแหน่งต่างๆรสที่ได้จากการได้ได้รับรางวัลต่างๆ และรสที่ได้จากการสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆผ่านท า, างตาหูจมูกนิ้นกายรสต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ของใจได้ไม่สามารถทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ มีรสเดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกทั้งปวงได้ก็คือรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนี้เองรสแห่งธรรมนี้แหละเป็นรสที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ ได้ส่งค้นพบด้วยพระ อ, องค์เองไม่มีผู้ใดในโลกนี้สามารถที่จะค้นพบรถแห่งธรรมอันประเสริฐนี้ได้ด้วยตนเองมีบุคคลเฉพาะเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงรถแห่งธรรมนี้ได้ก็คือผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้า ที่เราเรียกว่าพระโพธิสัตว์นี่พระโพธิสัตว์นี่แหละเป็นผู้ที่แ <c oughs> สวงหารสแห่งธรรมแสวงหารสแห่งธรรมด้วยการสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะพาให้จิตใจนั้นได้เข้าถึง รถแห่งธรรมนี้เหตุปัจจัยที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายสร้างกันเพื่อให้ได้เข้าถึงรถแห่งธรรมนี้เราเรียกว่าบารมีบารมีสิบประการด้วยกันเป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือเป็นคุณธรรมที่จะพาให้ผู้ที่ได้บําเพ็ญ บารมีทั้งส0นี้ได้เข้าถึงรถแห่งธรรมคือรถของวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงถ้าผู้ใดมีความแน่วแน่มีความมุ่งมั่นต่อการสร้างบารมีทั้งส0นี้ได้ผู้นั้นย่อมได้ ไปเป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าอยู่ในยุคที่ไม่มีพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนที่มีอยู่ในยุคนี้เหมือนกับยุคที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญยุคที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะต้องเสด็จออกบวชแล้วบําเพ็ญเป็นสำนักโคดมอยู่หกปี ยุคนั้นเป็นยุคที่ว่างจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมคำสอนที่จะสอนให้ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติสามารถเข้าถึงรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงได้ผู้ใดที่มีความปรารถนาอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแรงกล้าอย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ก็จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่ค้นคว้าหารสแห่งธรรมด้วยตนเองและผู้ที่จะสามารถค้นคว้าหารสแห่งธรรมด้วยตนเองได้ได้อย่างสำเร็จจำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ได้บําเพ็ญบารมีได้สร้างบารมีมาอย่างโชคโช่วเช่นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ เจ้าชายสิทธัตถะในแต่ละพบแต่ละชาติในอดีตได้สร้างบารมีต่างๆเช่นในยุคในชาติที่ได้เป็นพระเวชสันดรพระเวชสันดรก็คือเจ้าชายสิทธัตถะในอนาคตหรือพระเวชสันดรก็คือเจ้าชายสิทธัตถะในอดีต ในภพนั้นก็ทรงสร้างบารมีคือทานบารมีอย่างเต็มที่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรต่างๆนี้ถ้าใครอยากได้ใครเกลีอดร้อนมาขอเนี้ยินดีที่จะสละให้ทันทีไม่ยึดไม่หวงไม่ติดกับทรัพย์สมบัติเพราะทรงเห็นว่ามันเป็นทรัพย์ภายนอก เป็นทรัพย์ที่ในที่สุดเมื่อร่างกายตายไปก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้แต่การได้เสียสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองนี้กลับทำให้ได้ทรัพย์อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าทรัพย์ภายในเกิดขึ้นมาในใจที่ให้ความอิ่มให้ความสุขอย่างมากมายยิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกที่มีอยู่ จึงทำให้ผู้ที่เห็นผลที่เกิดจากการสร้างทานบารมีนี้จะสามารถสร้างทานบารมีได้อย่างเต็มที่มีเท่าไหร่สามารถที่จะเสียสละแบ่งปันออกไปได้หมดไม่มีคำว่าหึงหวงไม่มีคำว่าตนีอยู่ในใจเลย จะมีแต่ความยินดีที่จะได้สร้างบารมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจากการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองภายนอกไปแล้วสิ่งที่ได้กลับมาก็คือความสงบความสุขแล้วก็ความทุกข์ที่เกิดจากการมีความยึดตนีในทรัพย์สมบัติก็หายไป ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ทรัพย์สมบัติก็หายไปเพราะผู้ที่ให้แล้วมักจะไม่มีความอยากได้ผู้ที่ให้แล้วจะไม่มีความยึดความตนันนีไม่มีความยึดติดไม่มีความหึงหวงในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอันนี้แหละเป็นสาเหตุให้ผู้ที่ต้องการที่จะ หลุดพ้นจากความทุกนี้ยินดีที่จะสร้างทานบารมีและบารมีอย่างอื่นเพราะบารมีแต่ละชนิดก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะลดความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของผู้บำเพ็ญ <c oughs> ให้หายไปให้หมดไปตามลำดับได้นั่นเอง อันนี้แหละคือโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือผู้ที่มีเป้าหมายคือการหลุดพ้นจากความทุกข์มีเป้าหมายคือการไปสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงก็คือวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสมบูรณ์บรารมีแต่ละชนิดนี้ก็ช่วย กำจัดดับทุกข์ได้เป็นส่วนๆไปแต่ไม่ครบสมบูรณ์จะต้องสร้างให้ครบทั้งสิบบารมีด้วยกันถ้ามีสร้างบารมีได้ทั้งสิบชนิดครบสมบูรณ์วิมุติหลุดพ้นก็จะปรากฏขึ้นมาในใจลถแห่งธรรมที่ เหนือก่อรถทั้งปวงก็จะปรากฏขึ้นมาในกรณีของเจ้าชายสิทธัตถะหรือสัมมาณโคดมก็ปรากฏขึ้นมาในวันเพ็ญเดือนหกในขณะที่มีพระอายุพรรษาสามสิบห้าปีหกปีหลังจากที่ได้เสด็จออกบวชเป็นนักบวช ได้บำเพ็ญบารมีต่างๆให้ครบภายในหกปีเมื่อบารมีทั้งสิบได้ครบสมบูรณ์แล้วพระทัยของพระองค์ก็ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงทันที อ, อันนี้ต้องเป็นผ้าพโพธิสัตว์คือผู้ที่มุ่งมั่นต่อการสร้างบุญบารมีต่างๆ ในขณะที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทุกพพทุกชาติจะไม่คิดหาความสุขจากทรัพย์ภายนอกเช่นลาบยศสรรเสริญเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัชชนิดต่างๆจะมุ่งไปสู่การกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของตนให้หมดสิ้นไปให้ได้ทุกพพทุกชาติ ด้วยการสร้างบารมีต่างๆที่มีอยู่สิทธิบารมีด้วยกันบารมีที่พระโพธิสัตว์จะสร้างกันไม่ว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อมีโอกาสนี้จะสร้างบารมีต่างๆขึ้นมาบารมีแรกก็คือเมตตาบารมีเมตตาบารมี บารมีที่สองก็คือทานบารมีทานก็แปลว่าการให้การเสียสละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเมตตาก็คือความปรารถนาดีความปิความเป็นมิตรกับทุกๆคนทุกๆสัตว์ทุกบุคคลเรียกว่าเมตตาทานบารมีก็คือการให้การแบ่งปัน ทรัพ ส, บสมบัติข้าวของเงินทองให้แก่ผู้ที่ต้องการผู้ที่ขาดขาดตกบกพร่องผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต่างๆแล้วก็ศีลบารมนีก็คือการไม่กระทำบาปคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดและไม่เสพอบายามุ เช่นสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวเตรเกียด์ค้านและคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรนี่คือเกี่ยวกับเรื่องศีลบรารมีมเพื่อไม่ได้เพื่อจะได้ละเว้นจากการก ร, ระทาบาปถ้าไปเสพอบายามุขเช่นเสพสุรายาเมามก็จะทำให้ขาดสติ เมื่อไม่มีสติก็จะไม่สามารถที่จะหยุดความคิดที่จะไปคิดไปทาบาปได้นั่นเองเวลาเกิดความคิดไม่ดีขึ้นมาภายในใจเช่นคิดอยากจะไปฆ่าไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดถ้าดื่มสุราจนมึนเมาแล้วก็จะไม่มีสติที่จะยับยั้งความคิดที่จะไปกระทำบาปได้ ก็จะทําให้การกระทําบาปนี้เป็นไปได้ง่ายแต่เวลาที่ไม่มุนเมาขณะที่ไม่มุนเมานี้จะมีสติพอที่จะรู้ผิดถูกดีชั่วแล้วพอจะไปทําผิดไปทําบาปก็สามารถยับยั้งได้นี่คือศีลบารมีคือละเว้นจากการกระทําบาปทั้งปวง แล้วก็ในขัมมะบารมีคือการยุติการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพชนิดต่างๆเพราะว่าเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ได้เพราะเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขที่จเจริญแล้วก็เสื่อมได้ เวลาจเจริญเวลาได้ก็มีความสุขแต่เวลาที่เสื่อมเวลาที่หมดไปก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะรู้ว่าการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่ลนรสผลิภัณฑ์นี้ไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์แต่เป็นวิธีสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับใจโดยถูกความสุข ของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะผะ ป, ปิดบังเอาไว้เป็นเหมือนกับกับดักที่จะหลอกล่อให้ผู้ที่ไม่ฉลาดที่ไปหลงคิดว่าการได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะนี้จะทำให้เกิดความสุขดับความทุกข์ในใจได้แต่ความเป็นจริงแล้วเป็นการดับชั่วคราว เป็นการให้ความสุขชั่วคราวเพราะว่ารูปเสียงกลิภภ่นรสผดสะพานี้เป็นของชั่วคราวได้แล้วเดี๋ยวก็มีการหมดไปเวลาหมดไปก็ทำให้เกิดอา ก, การซึมเศร้าขึ้นมาเกิดความอาการเศร้าส้อยหงอยเหงาขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานั่นเองผู้ที่บำเพ็ญเพื่อวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะเห็นโทษ ของการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสก็จะพยายามยุติการเสพด้วยการจเจริญเนคขมะบารมีเช่นคือการถือศีลแปดนั่นเองหลังจากที่ถือศีลห้าได้แล้วก็เพิ่มอีกสามข้อสามข้อที่เพิ่มนี้เป็นการระงับกิจกรรมทางเพศทางการอารมณ์มต่างๆทางรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพนั้นเองแล้วก็ ไปเจริญบารมีข้อต่อไปคืออุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีก็คือความปราศจากอารมณ์รักชังกลัวหลงซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อทำใจให้สงบนิ่งได้ให้ใจหยุดคิดปรุงแต่งให้ได้ให้ใจตั้งมั่นอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานถ้าได้เข้าฌานแล้ว ใจที่มีรักชังกลัวหลงก็จะหายไปความรักชังกลัวหลงที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปเหลือแต่ใจที่ว่างเย็นสงบสบายสักแต่ว่ารู้แล้วก็สร้างบรารมีข้อต่อไปก็คือปัญญาบรารมีปัญญาบรารมีนี้จะมาช่วยกำจัดความทุกข์ ที่เกิดขึ้นเวลาที่ออกจากสมาธิเวลาอยู่ในสมาธินี้ความทุกข์จะหายไปชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากขึ้นมาอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดขึ้นมาความทุกข์ก็จะตามมามหรือความอยากเสพอะไรก็ตามอยากได้อะไรก็ตามอยากมีอะไรก็ตาม ก็จะต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้มันเที่ยงให้มันเป็นสิ่งที่ให้ความสุขได้อย่างถาวรมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดการเสื่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา นี่คือปัญญาบารามีนี่แหละคือบารามีที่พระโพธิสัตว์จะพยายามสร้างกันเมื่อมีโอกาสในาการจะสร้างบารามีเหล่านั้นให้ได้ก็ต้องมีบารามีที่สนับสนุนบารามีที่จะสนับสนุนให้สร้างบารามีต่างๆนี้ได้ก็คือหนึ่งอธิษฐานบารามี อธิษฐานคือความตั้งใจตั้งใจว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เรียกว่าอธิษฐานอย่างญาติโยมวันนี้ก่อนที่จะมาที่วัดได้ญาติโยมก็ต้องอธิษฐานในใจก่อนว่าเดี๋ยววันนี้จะไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมไปทำบุญทำทานนี่เรียกว่าอธิษฐาน คือการตั้งใจตั้งใจว่าจะทําอย่างใดอย่างหนึง่งสําหรับพระโพธิสัตว์ก็จะตั้งใจอธิษฐานว่าจะขอสร้างทานบารลีเมตตาบารลีศีลบารลีเนคข ม, มบา ร, รมีอุเบกขาบา ร, รมีและปัญญาบารลีเมื่อมีโอกาสนี่เรียกว่าอธิษฐานคือความตั้งใจ ไม่ใช่อธิษฐานอย่างที่เราใช้กันเราใช้อธิษฐานไปในเป็นการขออธิษฐานขอให้ได้ไปสวรรค์ขอให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อันนี้ขอไปจนวันตายก็ไม่ได้เพราะการขอนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้ได้ไปสวรรค์ไปนิพพานเนี่ยเหตุที่จะพาให้ไปสวรรค์ไปนิพพานได้ก็คือการกระทา ดันอธิษฐานนี้ต้องอธิษฐานต้องตั้งอยู่ที่เหตุเช่นเหตุที่จะไปไปหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็คือต้องสร้างบารมีทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองต้องอธิษฐานตรงนั้นอธิษฐานว่าชีวิตนี้ทั้งชีวิตตั้งแต่บัดนี้ไปข้าพเจ้าจะพยายามสร้างบารมีต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทำทานได้เมื่อไหร่ก็จะทำรักษาศีลตลอดเวลาเจริญเนคขมะบารมีอเบกาบารมีปัญญาบารมีอันนี้ <c oughs> คือความตั้งใจหรืออธิษฐานในอธิษฐานในบารมีสิบเนี่ยเพราะถ้าเราไม่ไม่มีการตั้งเป้าวางแผนไว้ใจเราก็จะไหลไปตามความรู้สึกต่างๆบางวันอยากจะไป ทำนู่นก็จะไปอยากจะไปทำนี่ก็ไปซึ่งไม่ได้เป็นไปสู่การบลดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆบางวันก็อยากจะไปเที่ยวบางวันก็อยากจะไปหาเงินหาทองบางวันก็อยากจะไปหาคู่ครองอะไรต่างๆเหล่านี้ การกระทำเหล่านี้ล้วนเป็นการไปหาความทุกข์ทั้งนั้นถ้าต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องตั้งเป้าให้อยู่กับการกระทำที่จะทำให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์การกระทำที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือการมีความเมตตาต่อผู้อื่นการมีการให้การทำบุญทำทานการรักษาศีล การเจริญเนคข ม, มะคือการออกบวชนี่แปลว่าเนคข ม, มะละเว้นจากการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเมื่อออกบวชแล้วก็ไปเจริญสติเพื่อเข้าสมาธิเพื่อให้ได้อุเบกขาบาลมีให้ให้จิตนิ่งสงบปาศจากรักชังกลัวหลงจิตที่ไม่มีรักชังกลัวหลงจิตก็จะไม่ทุกข์กับอะไร แต่พอออกจากสมาธิความรักชังกลัวหลงนี้ก็จะกลับมาใหม่ได้ถ้าไปสัมผัสรับรู้กับสิ่งต่างๆที่เคยสัมผัสรับรู้แล้วมีความรักชังกลัวหลงกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ต้องเจริญปัญญาเพื่อระงับความรักชังกลัวหลงด้วยการให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ไปรักไปชังไปกลัวไปหลงนั้นเป็นตายรักเป็นต้น นี่คือสิ่งที่ควรจะอธิษฐานกันควรจะตั้งเป้ากันไม่ใช่อธิษฐานขอได้นูน่นขอได้นี่ขอให้ถูกลอตเตอรี่วันรางวัลที่หนึ่งอนี้อธิษฐานไปจนวันตายมันก็ไม่ถูกมันไม่ได้อยู่ที่การขอมันอยู่ที่การรู้หรือเปล่าว่าวันนี้จะออกอะไรถ้ารู้แล้วก็ไปซื้อเลขนั้นมันก็มันก็ถูกแน่นอน แต่ถ้าไม่รู้แล้วมานั่งอธิษฐานมันก็ไม่ถูกดังใดถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็รู้แล้ววิธีของการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้หลุดอย่างไรก็ต้องหลุดด้วยการสร้างบา ร, รมีคือสร้างเมตตาบา ร, รมีทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคข ม, มะบา ร, รมีโอเบขขาบา ร, รมีและปัญญาบา ร, รมีนี่เอง นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องมีในการที่จะสร้างบารมีเราต้องกําหนดการกระทาของเราให้อยู่แต่เรื่องของการสร้างบารมีเท่านั้นจะไม่เอาเวลาไปหาลาบยศ ส, สรรเสินสุขจะตัดให้หมดลาบยศ ส, สรรเสินสุขนี่มันเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปการหาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทางนี้เราจะไม่ไป เราจึงต้อ ง, งตั้งอธิษฐานว่าเราจะเดินไปในทิศทางไหนทิศทางที่เราต้องการไปก็คือทิศทางที่พาเราไปสู่วิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงทิศทางนั้นก็คิดทางของการสร้างบา ร, รมีต่างๆนีนะ่เมื่อเราตั้งเราตั้งเป้าแล้วตั้งกําหนดแล้วเหมือนวันนี้เราตั้งใจว่าจะมาวัดแล้วพอถึงเวลาเราก็ออกเดินทางมา ถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างมาดึงให้เราไปทำอย่างอื่นเราก็ไม่ไปเช่นอาจจะมีเพื่อนโทรมาชวนไปเที่ยวชวนไปกินข้าวชวนไปสังสรรค์กันแต่ถ้าเราได้ถ้าแต่ถ้าเรามีสัจจะอันนี้คือบา ร, รมีข้อที่สองสัจจะแปลความแปลว่าความจริงใจความแน่วแน่ต่อความตั้งใจของเราเรียกว่าสัจจะ ถ้าเรามีความแน่วแน่ต่อความตั้งใจเช่นเรามีความแน่วแน่ว่าวันนี้ยังไงก็ต้องมาวัดให้ได้จะไม่ไปที่อื่นไม่ว่าใครจะมาชวนหรือมีเหตุการณ์อะไรที่จะมาทำให้เป็นอุปสรรคต่อการไปวัดเราก็จะไม่เราก็จะเราก็จะหาทางหลีกเลี่ยงพาให้เรามาวัดให้ได้อันนี้เรียกว่าสัจจะ การตั้งอธิษฐานจะให้มันเป็นผลได้นี้ต้องมีสัจจะคอยกำชับด้วยถ้าเราตั้งใจแล้วถ้าเราไม่มีสัจจะเราก็อาจจะเปลี่ยนใจได้เช่นตั้งใจวันนี้จะมาวัดเดี๋ยวพอดีเพื่อนโทรมาชวนไปว่าวันนี้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ ก, กันกับเพื่อนฝูงหรือมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏขึ้นมาเราก็อาจจะเขวเปลี่ยนใจได้ เพื่อถ้าเราไม่มีสัจจะดังนั้นเพื่อให้เราได้ตั้งใจและได้กระทําตามที่เราตั้งใจเราจึงต้องมีสัจจะต้องมีความจริงใจก่อนที่เราจะตั้งใจเราต้องถามตัวเองก่อนว่าแน่ใจหรือเปล่าตั้งใจแล้วทําตามที่เราตั้งใจได้หรือเปล่าถ้าตั้งใจแล้วไม่ทําตามก็อย่าไปตั้งใจให้เสียเวลาต่อไปมันจะเป็นการหลอกตัวเราไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ย พอตั้งใจแล้วเราไม่ได้ทําตามที่เราตั้งใจก็ไม่เกิดผลขึ้นมานั่นเองถ้าตั้งใจแล้วต้องทําตามที่เราตั้งใจมันถึงจะเกิดผลแจะทําให้เราทําตามที่เราตั้งใจได้ก็ต้องมีสัจจะมีความซื่อสัตย์กับตัวเรามีความซื่อสัตย์ต่อความตั้งใจของเราไม่เปลี่ยนใจยกเว้นในกรณีที่สุดวิสัยเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยกระทานหันขึ้นมาไม่สามารถ ลุกขึ้นมาได้อย่างนี้เป็นต้นอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานในขณะที่ประทับอยู่ใต้โคนต้นโพท่านก็ตั้งสัจจะอธิฐานว่าจะขอนั่งอยู่ที่ตรงนี้และบำเพ็ญจิตตะภาวนาสมถะภาวนาละวิปัสสนาภาวนาไปจนกว่าจะพบวิมุตต ซนกว่าจะเห็นว่าจิตใจความทุกข์ที่มีใน จ, จ, จิตใจนี้ได้หายไปหมดไม่มีหลงเหลืออยู่ให้ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมคือรถของวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ถึงจะเลิกถึงจะลุกจากที่นั่งนี้ไปถ้ายังไม่ได้พบวิมุตติยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าใจยังมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเ ร, เรื่องอะไรก็ตาม ใจจะไม่ขอลุกจากจากที่นั่งอันนี้ไปโดยเด็ดขาด <Yeah. S 1> นี่เรียกว่าสัจจะอธิษฐานของพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวผลักดันให้พระพุทธเจ้าได้สามารถบรรลุถึงวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ <Yeah. S 1> นอกจากมีสัจจะอธิษฐานที่แน่วแน่แล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือต้องมีวิริยะบารมีก็ต้องมีความขยันนั่นเอง มีความบำเพ็ญตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญตั้งหน้าตั้งตากระทาในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้เราตั้งเป้าหมายว่าจะนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงเราก็ต้องนั่งให้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเราถึงค่อยลุกถ้าเราลุกก่อนหนึ่งชั่วโมงมาแสดงว่าเราล้มเหลวเราไม่สามารถทาตามเป้าหมายเราได้เราก็ต้องมีความขยนันต้องพยายามพุทโธพุทโธพุทโธไป ถึงแม้น ใ, นใจอยากจะออกอยากจะเลิกก็ไม่ยอมเลิกจะพุทธโทไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบเวลาที่เรากำหนดไว้อันนี้เรียกว่าวิริยะบาลมีความขยันวิริยะบา ร, รมีนี้สำคัญนองจากสัจจะอธิษฐานเพราะว่าเมื่อตั้งใจจะทำแล้วถ้าไม่ทำมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีตั้งใจจะทำไม่เปลี่ยนใจแต่ถึงเวลาขี้เกียจ ตั้งใจจะมาวัดแต่พอถึงเวลาขี้เกียจเมืออ่อยขึ้นมาอะไรขึ้นมาร้อนเกินไปหนาวเกินไปหรือมีอุปสรรคอะไรขวางกั้นอยู่ก็ขี้เกียจไม่ไปเดี๋ยวฝนตกไม่อยากไปแล้วฝนตกไปแล้วเดี๋ยวออกไปเปรี้ย่อย่างนี้เกิดความเกลียดข้านขึ้นมาถ้ามีความเกลียดค้ามันก็ไม่สามารถทําในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้ได้นะ นอกจากมีศัจจะมีอธิษฐานมีศัจจะแล้วข้อต่อมาก็ต้องมีวิริยะความขยันหมั่นเพียรต้องพยายามทำตามสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้เมื่อถึงเวลาต้องออกเดินทางมาวัดก็ม า, ท, าทันทีผลจะตกหนักแค่ไหนก็ตามถ้ายัางมาได้ยังลุกขึ้นมาได้ขับรถได้ทำอะไรได้ก็ต้องมาให้ได้อันนี้เรียกว่าวิริยะความขยันหมั่นเพียร แล้วข้อสุดท้ายที่จะต้องมีเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่เราต้องการจะทำได้สำเร็จก็คือขันติบารามีขันติก็คือความอดทนนั่นเองความอดทนต่ออุปสรรคต่างต่อความยากลำบากต่างที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นเวลานั่งสมาธินี่ถ้าไม่มีขันตินี่นั่งได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ทนนั่งต่อไปไม่ไหวเพราะว่าเดี๋ยวเกิดมีความ อาการเจ็บตรงนั้นบ้างปวดตรงนี้บ้างพันตรงนั้นคันตรงนี้หรือมีอะไรต่างๆที่จะมาทำให้การกระทําของเราล้มเหลวลงถ้าเราไม่มีความอดทนต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราก็จะไม่สามารถทําตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้เช่นนั่งสมาธิบอกจะนั่งชั่วโมงหนึ่งพอนั่งไปได้สักสิบนาทีเริ่มเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แล้วก็ขี้เกียจไม่ไม่พูดโธต่อ มันก็ทำอะไรต่อไปไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องเลิกนั่งไปการที่จะได้ผลจากการนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ได้อะไรได้เพียงห้านาทีสิบนาทีเท่านั้นถ้าไม่มีขันติถ้าไม่มีวิริยะถึงแม้จะมีสัจจะมีอธิษฐานมีความตั้งใจแล้วมีสัจจะแล้วก็เริ่มนั่งแล้วอันนี้อันนี้แสดงว่ามีสัจจะมีแล้วมีอธิษฐานแล้ว แต่นั่งไม่ทนนั่งไปไม่ตลอดลก็เพราะขาดวิริยะความความเพียรนั่นเองความขยันหมั่นเพียรในการทำหน้าที่ในขณะที่เรากำลังนั่งทำสมาธิอยู่ mm hmm. แล้วก็ขาดความอดทน mm hmm. พอเจอความรู้สึกทุกข์ยากลาบากขึ้นมา mm hmm. ก็ยกทงขาวยอมแพ้ไม่เอาแล้วพอแล้วนี่แหละคืออุปสรรคของผู้ที่ต้องการจะบาเพ็ญสร้างบรารมี เพื่อหลุดพน้นจากความทุกข์ต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในยุคที่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนหรือไม่ก็ตามถ้าไม่มีก็สามารถที่จะค้นคว้าหาได้ด้วยตนเองแต่ถ้ามีก็จะไม่เสียเวลามากก็จะเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติต่อเลยก็จะทําทให้การวิบูติหลุดพน้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นเหมือนกับคนที่ เดินทางไปในทิศทางที่ไม่เคยไปมาก่อนถ้าต้องไปเองก็ จ, จะต้องคำทางลองผิดลองถูกดูกว่าจะถึงก็า จ, จะนานแต่ถ้ามีคนนําทางมีคนบอกทางว่าไปทางนี้นะถึงตรงนี้แล้วเราไปทางนู้นต่อนะถ้ถามีคนนําทางเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ถึงได้ประโยชน์ของพระพุทธศาสนาก็อยู่ตรงนี้อยู่ว่าอยู่ที่ เป็นผู้ที่รู้ทางสู่วิมุตติการหลุดพ้นเมื่อมีผู้รู้แล้วมาบอกเรามันก็ง่ายแต่ถ้าเราไปอยู่ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีใครรู้ทางสู่วิมุตติหลุดพ้นว่าไปอย่างไรอันนั้นก็ต้องอาศัยบา ร, รมีคือปัญญาของตนเองคิดค้นหาไปอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระสมณโคโดมนี้ท่านท่านบำเพ็ญอยู่ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนา ท่านไม่มีใครบอกทางสู่วิมุตติหลุดพ้นท่านก็เลยต้องบำเพ็ญด้วยตนเองต้องทดลองผิดลองถูกก็เลยเสียเวลาหน่อยถ้ามีถ้าได้เจอพระพุทธเจ้าหรือเจอพระพุทธศาสนาท่านอาจจะไม่ต้องบำเพ็ญถึงหกปีก็ได้ท่านอาจจะบรรลุเพียงแต่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเลยก็มีเช่นบางคนในยุค ข, ของพระพุทธเจ้านี้เพียงแต่มาสนทนาธรรม ขอฟังเทศฟังธรรมสั้นๆก็บรรลุได้ทันทีอันนี้เพราะว่าคนนั้นเขาได้บำเพ็ญบา ร, รมีต่างๆมาอย่างมากมายขาดเหลืออีกนิดเดียวคือปัญญาบา ร, รมีเท่านั้นเองว่าทาอย่างไรทำให้ใจไม่ต้องทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆพระอุตจ้าก็ตอบโจทย์ของเขาว่าก็ให้รู้เฉยๆเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยิน อย่าไปวุ่นวายกับสิ่งที่เรารู้เราเห็นได้ยินได้ได้เห็นได้ยินได้ฟังปล่อยปล่อยไปอย่าไปดีใจเสียใจอย่าไปพยายามคิดที่จะแก้ไขดัดแปลงอะไรต่างๆกับสิ่งต่างๆที่เราสัมผัสรับรู้เพราะเป็นการสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นภายในใจของเรานั่นเองให้รู้เฉยๆเห็นอะไรก็ให้เห็นเฉยๆได้ยินอะไรก็ให้ได้ยินเฉย ๆ, ๆอย่าไปเกิดความอยาก อย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดความอยากแล้วมันก็จะเกิดความทุกข์ใจนะนะบางคนนี้เขาบําเพ็ญมามากพอเขาเข้าใจพระพุทธเจ้าเพียงพูดเพียงสั้นๆเท่านี้เขาก็หลุดพ้นได้เข้าถึงวิมุตติเข้าถึงลดแห่งธรรมได้ทันทีนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาได้บําเพ็ญบรารมีอย่างอื่นมาอย่างมากมายแล้วนั่นเองนะนี่คือ ทางสู่การวิมุติหลุดพ้นการจะหลุดพ้นการที่จะสัมผัสกับรสแห่งธรรมได้นี้จาเป็นที่จะต้องเจริญบารมีสิบประการด้วยกันเมื่อมีบารมบารมีสิบอยู่ในใจแล้วบารมีสิบนี้ก็จะทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ดังนั้นถ้าเรายังมีความทุกข์อยู่เราก็ต้องมา ตรวจสรรอบดูว่าเรามีบารามีเหล่านี้บ้างหรื อ, อยังถ้าเราขาดบารามีส่วนไหนเราก็ต้องมาสร้างบารามีส่วนนั้นให้ได้เช่นข้อหนึ่งเรามีเมตตาบารามีกับสัรพสัต ท, ทั้งหลายทั้งปวงหรื อ, อยังเ ช, ช่นบทสวดที่ว่าสัพเพสตาอเวราหตุเราไม่มีเวรมีกรรมไ ม, ม่ไม่จองเวรจองกรรมกับสรัรพสัต ท, ทั้งหลายได้หรื อ, อยัง เราจะไม่โกรธแค้นโกรธเครืองใครไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ในราชาใครเขาจะมาทําอะไรให้เขาให้เราเสียหายเดือดร้อนเราก็จะให้อภัยเขาได้หรือไม่เราจะไม่เอาเรื่องเอาเราวกับเขาเช่น mm hmm. ใครเขามาทําลายทรัพย์สินของเราอย่างนี้ mm hmm. เราจะให้อภัยเขาได้หรือเปล่า mm hmm. ถ้าเราให้อภัยได้ก็แสดงว่าเรามีเมตตา mm hmm. เวลาที่เราทําอะไรเรา ทำแล้วไปสร้างความเสียหายหเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นหรือไม่ถ้าเรายังทำความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็แสดงว่าเรายังขาดเมตตาคนที่มีความเมตตานี้จะไม่ทำอะไรให้เกิดความเสียหายยกเว้นว่าถ้ามันเป็นเหตุสุดวิสัยอันนี้เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เช่นขับรถไปแล้วมีรถตัดหน้าแล้วเราหยุดไม่ทันก็ต้องชนกันอย่างนี้อันนี้ไม่ได้เป็นเรื่อง เรื่องที่ไม่มีความเมตตาแต่เป็นเรื่องของการของเหตุสุดวิสัย<ม>แต่ถ้าเรามีเหตุตั้งใจจะไปชนเขาเ<ม><ม>พราะเขาขับปาดหน้าเราเราก็เลยขับไปชนท้ายเขาถ้าอย่างนี้สแสดงว่าเราไม่มีความเมตตา<ม>เราเรายังคิดอยากที่จะทาร้ายผู้อยู่ยังเบียดเบียนผู้อยู่อันนี้คือการขัดความเมตตา ถ้ามีความเมตตาใครก็าปาดหน้าเราก็ปล่อยก็าปาดไปให้ก็ไปแเรวก็ขับรถของเราไปพยายามขับเพื่อไปไม่ให้ไปชนกับใครไม่ให้ไปสร้างความเสียหายหเดือดร้อนให้กับใครไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สินก็ตามถึงจะเรียกว่ามีความเมตตาถ้าเรามีใจกว้างพอไหมมีอะไรพอแจกจ่ายแบ่งปันให้กับคนที่เขาไม่มีได้ไหมเช่นเรามีเงินเหลือใช้เหลือกินนี้เก็บไว้ทําไมตายไปก็เอาไปไม่ได้ เอามาทำบุญทำทานไม่ดีกว่าหรืออันนี้ก็คือความเมตตานนี้คือสิ่งที่เราต้องตรวจตาดูว่าเรามีเมตตาบารมีในใจเราหรื อ, อยังถ้าไม่มีก็พยายามแก้ไขไปถ้าเรายังโกรธแค้นโกรธเคืองใครอยู่ยังอาฆาตพยาบาทยังจองเวรจองกรรมยังจะขึ้นลงขึ้นศาลฟ้องร้อ ง, องเรียกความเสียหายอะไรต่างๆอยู่นี้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีความเมตตา ถ้าเรายังไปอยากจองจองเวรจองกรรมการจองเวรจองกรรมนี่แหละที่เป็นเหตุที่ทําให้ใจเราทุกข์กัน<ม>เวลาเราโกรธใครเกลียดใค ร, ใครในี่ใจจะร้อนเป็นไฟขึ้นมามร้อนด้วยความโกรธเกลียดาคาตพยาบาท<ม>เรียวกว่าเป็นไฟนรก<ม>แต่ถ้าเราให้อภัยเขาได้นี้<ม>ก็เหมือนกับเอาน้ําธรรมะมเอาน้ำมนต์มาดับไฟเลย มาทำให้ใจของเราที่ร้อนเป็นไฟนี้เย็นขึ้นมา ท, าทันทีพอเราเปลี่ยนใจแไม่เอาเรื่องของเรายกโทษให้เขาไปจบพอยกโทษให้เขาไปปั๊บใจเราก็เย็นใจเราก็สบายขึ้นมาเนี่ย <Yeah. S 1> นี่วิธีการดับทุกข์ด้วยความเมตตาเราอย่าไปจองเวรจองกรรมกับใครแล้วความทุกข์ความร้อนใจก็จะดับไปเราไม่เปตั้งใจจะไปเบียดเบียนใครความทุกข์ก็จะไม่เกิด เวลาเราให้ความช่วยเหลือแบ่งปันมีทรัพย์มีข้าวมีของอะไรให้กับคนอื่นให้เขาไปแล้วใจเราก็จะเย็นมีความสุขความทุกข์ที่มีกับทรัพย์สมทรัพย์สินของเราก็จะหายไปถ้าเรายังมีทรัพย์สินอยู่เราก็ยังต้องคอยดูแลรักษาคอยวิตกกังวลว่ามันจะอยู่หรือไม่อยู่แต่พอเราไม่มีทรัพย์สินก้อนนั้นแล้วความทุกข์ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินก้อนนั้นก็หายไป น, นี่คือเรื่องของความมีเมตตาเราตรวจสอบดูในใจของเราว่าเรามีหรื อ, อยังความเมตตาต่างๆเมตตานี้เวลาที่จะแผ่เวลาที่จะใช้เมตตานี้ต้องใช้ในขณะที่เราอยู่ในเหตุการณ์จริงๆเจอคนนั้นเจอคนนี้จริงๆไม่ใช่มานั่งแผ่ตอนที่เรานั่งไหว้พระสวดมนต์หรือนั่งสมาธิเสร็จ นั่งคนเดียวแล้วสวดไปนี้ไม่ได้เป็นการแผ่ไม่ได้เป็นการสร้างเมตตาบา ร, รมีแต่อย่างใดเป็นเพียงการซ้อมเท่านั้นเองเป็นการซ้อมเป็นการเตือนใจว่าเราต้องไม่จองเวรเราต้องไม่เบียดเบียนเราต้องไม่ทำร้ายผู้อื่นเราต้องไม่เราต้องให้ความสุขกับผู้อื่นอันนี้เป็นการซ้อมเวลาที่เรานั่งสวดบท แผ่เมตตาสัพเพสัตตาอเวลาโหตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงยังไม่มีเวรกันเถิดอันนี้เป็นการสวดเฉยๆไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาแต่อย่างใดการจะแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันมีเรื่องมีราวกันพอใครเขาพูดอะไรไม่ดีขึ้นมาทําอะไรไม่ดีขึ้นมาพอจะไปด่าไปว่าเขาไปตอบโต้เขาเราก็หยุดเสียให้อภัยเขาไป อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตา<ม>ถ้าเราสามารถเจริญเมตตาบารมีได้นใจของเรานี้จะมีความสุข ม, มีอ น, นิสง์ของการแผ่เมตตาอยู่ต้องสิบข้อด้วยกันเช<ม>่นตื่นก็มีความสุขหลับก็มีความสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้าย<ม>แล้วก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีเทวดาคุ้มครองปกป้องรักษา แล้วก็จะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษจะไม่มีใครคิดที่จะมาฆ่าคนที่มีความเมตตาเพราะไม่มีศัตรูกับใครนั่นเองแล้วก็ถ้าไปฝึกสมาธิจิตก็จะสงบง่ายแล้วถ้าเวลาจะตายก็ไม่หลงแล้วถ้าตายไปก็จะไปสู่สุคตินี่คือประโยชน์ของการเจริญเมตตาบรารมี จะทำให้ความทุกข์ที่เกิดจากการไม่มีเมตตานี้หายไปหมดถ้าไม่มีความเมตตานี้จะมีความทุกข์มากเวลาโ ก, กรธเกลียดใครก็จะทุกข์เวลาทําอะไรก็ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นพอเราไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเขาก็อยากจะมาสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับเราเราก็ต้องมาทุกข์กับความความระมัดความระแวง ท, ทุกถึงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราไปสร้างศัตรูกันนั่นเองอันนี้แหละคือข้อที่แรกเราต้องตรวจตาดูถ้าเราอยากจะได้วิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเราต้องหลุดพ้นด้วยเมตตาให้ได้ก่อนเรามีความเมตตาหรือไม่นะข้อที่สองเรามาตรวจดูว่าใจเราเป็นทานหรือไม่ใจเราใจกว้างหรือใจแคบคนที่ทำทานนี้จะเป็นคนใจกว้าง ยินดีเสียสละแบ่งปันเพราะรู้ว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีมากเกินความจําเป็นนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรกับเจ้าของเลยทรัพย์สมบัติมีประโยชน์ไว้สําหรับเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายเท่านั้นเองแต่ถ้ามีมากกว่านั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วส่วนที่มันส่วนเกินนี้เรายังหวงอยู่หรือเปล่า แล้วนอกจากนั้นบางทีมีเกินแล้วยังไม่พออยากจะได้มากๆขึ้นไปกว่านั้นอีกยังอยากโลภมากขึ้นไปอีกมีร้อยล้านยังไม่พออยากจะได้พันล้านอย่างนี้แสดงว่าใจแคบไม่ให้ใจกว้างคนใจกว้างนี้จะไม่อยากได้มากจะอยากให้มากกว่าได้อยากจะเก็บไว้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นเรียกว่าทานบารมีคนที่จะทำทานบารมีได้ต้องคิดอย่างนี้ ต้องไม่หวงทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองและไม่โลภอยากจะได้มากกว่าที่ตนเองต้องมีเท่านั้นถ้าขาดแคลนก็ไปหามาได้เช่นถ้าไม่พอใช้ไม่พอกินพอใช้ก็หาแต่จะหาเพื่อให้พอกินพอใช้เท่านั้นเองแต่จะไม่ให้ไม่หามาเพื่อให้ร่าให้รวยเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก มันเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกแล้วมันต้องแบกเงินทองต้องเยอะแยกตายไปก็เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวอยู่ก็ต้องคอยดูแลรักษาปกป้องไม่มีความสุขมีแต่ความกังวลมีแต่ความหวาดกลัวนี่แหละคือความทุกข์จากการที่ไม่มีทานบารมีคนที่มีทานบารมีนี้สบายเงินจะอยู่ยื่นนจะไปก็ไม่เดือดร้อน พอรู้ว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีขอให้มีแค่เพียงพอมีพอกินก็พอท่านเองมากไปกว่า น, นั้นมีไปก็ไม่เป็นประโยชน์นอกจากไม่เป็นประโยชน์แล้วเป็นโทษต่อจิตใจเพราะจะต้องมาเป็นเรื่องให้มีความวิตกกังวลว่ามันจะปลอดภัยหรือไม่มันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆหรือไม่หรือมันจะหดหายไปหรือจะมีใครมาหลอกลวงเรามาโกงเรามาขโมยเรามาปนเรา มันจะมีแต่เรื่องที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างวความกัวงวลใจถ้าหากเรามีทรัพย์เกินความจำเป็นนะอันนี้เราตรวจตราดูนะว่าเราสร้างทานบา ร, รมีกันได้หรือไม่นะเราเราโลภหรือไม่โลภนะใจเรากว้างหรือแคบอันนี้แหละเป็นเรื่องของการวัดว่าเราใจเรามีทานบา ร, รมีหรือไม่ถ้ามีทานบา ร, รมีแล้วจะใจกว้าง ถ้าใครเดือดร้อนขอความช่วยเหลือถ้าสมเหตุสมผลที่จะช่วยเหลือได้ก็ให้ไปเลยแต่ถ้ามาถูกมาหลอกมาลวงก็จะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ต้องฉลาดการให้ทานนี้ก็ต้องระวังบางคนเขารู้ว่าเราใจทานก็เลยบางทีมาหลอกลวงเราสร้างเรื่องสร้างราวมาหลอกเราอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันอันนี้เพื่อเป็นการป้องกันทั้งตัวเขาและตัวเรา 1>, 1. ก็ไม่ให้เขามาทำบาปจากการหลอกลวงสองก็ทำให้เราไม่ต้องสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์ <Yeah. S 1> อันนี้ก็คือเรื่องที่ผู้จะทำบุญทำทานต้องมีมีสติมีปัญญาบ้างไม่ใช่ว่าใครมาขอก็ให้ไปหมดเพราะบางทีก็สงสารเขาโดยที่ไม่คิดเลยว่าบางทีเขามาสร้างเรื่องมาให้เราสงสารเขาซึ่งความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ yeah. ดังั้นถ้าเราจะต้องทำอะไรกับคนที่เราไม่รู้จักนี่เราอาจจะต้องขอเวลาตรวจสอบดูก่อนเช <y> ็คดูก่อน <y> หาข้อมูลว่าสิ่งที่เขามาพูดกับเรานี่เป็นจริงหรือไม่ <y> ถ้ายังไม่แน่ใจก็ปฏิเสธไปก่อนก็ได้ไม่เสียหายอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการใจแคบแต่เป็นการกระทำเพื่อให้มันถูกต้องทั้งเขาทั้งเรา <y> เขาก็จะได้ไม่ไม่ได้เป็นคนมาหลอกลวงเรา เราก็จะได้ไม่เป็นคนโง่ให้เขามาหลอกเราอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนทำบุญทำทานบางทีก็ใจอ่อนพอใครมาเล่าเรื่องเรื่องเศร้าให้ฟังหน่อยก็สงสารเขาแล้วก็อยากจะช่วยเหลือเขาถ้าช่วยเหลือเขาไม่ได้ก็รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการทาบุญทำทานมันก็มีทั้งมีเรื่องราวอะไรหลายอย่างที่เราต้องระมัดระวังไม่งั้นเราจะกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ เรื่องทานบารมีเรามีหรือเปล่าแล้วต่อมาก็ดูเรื่องศีลรักษาศีลห้าได้ไหมรักษาได้ตลอดเวลาทุกเวลาหรือไม่หรือบางครั้งเรายังมีการฆ่าสัตว์อยู่มีการตบยุงบ้างมีการฆ่ามดฆ่ามแมลงบ้างอะไรทํานองนี้หรือไม่เราเอาเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาหรือเปล่าถ้าเป็นของคนอื่นถ้าเขาไม่ให้เราอย่าไปเอามาถ้าอยากจะได้ถามเขาก่อนว่าอันนี้เป็นของใคร เอาไปได้ไหมถ้าเขาบอกเอาไปได้ก็อันนี้ก็เอาไปไม่เป็นไรแล้วก็อย่าไปประพฤติผิดประเพณีการร่วมเพศมนุษย์นี้เขาร่วมเพศกับสามีภรรยากับคู่ของตนเท่านั้นถึงจะถือว่าเป็นมนุษย์แล้วก็จะไม่มีปัญหาตามมาถ้าไปร่วมเพศกับภรรยาหรือสามีของคนอื่นเดี๋ยว ก, ก็เรื่องทุกข์ก็จะตามมาสามีหรือภรรยาของคนอื่นเขาก็จะต้องมาร้างแค้นมาสร้างความทุกข์ให้กับเรา น, นการรักษาศีลข้อสามนี้เพื่อป้องกันไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาจากการที่จะไปหาความสุขจากการร่วมเพศกันนั่นเองอย่าไปประพฤติผิดประเพณีร่วมเพศกับคนที่เขาเป็นของของเราอย่าไปเอาคนที่ไม่ใช่เป็นของเรามาร่วมเพศเอาคนของคนอื่นเข้ามาเดี๋ยวก็เกิดเรื่องราวขึ้นมาได้เกิดการทะเลาะ บ, บอกแวงกันเกิดการฆ่าฟันกันได้แล้วข้อที่สี่ก็อย่าหลอกลวงกันพูดความจริง ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องหลอกลวงกันถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ปฏิเสธไปขอไม่ตอบแคนั้นก็จบ<ม>เพราะการหลอกลวงนี้จะทําให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนได้ในภายหลั ง, งนอย่าไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอันนี้เรียกว่าศีลบา ร, รมีเรารักษาศีลห้าได้หรือเปล่าสุรายาเมาเราไม่ดื่มได้ไหม อ, อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องของการกา ร, การสร้างศีลบา ร, รมี แล้วเนคขมมาบารามีก็คือเราไปรักษาศีลแปดได้บ้างไหมเช่นวันพระนี่ตามหลักศาสนานี่ให้รักษาศีลห้าในวันธรรมดาวันทำงานทำการพอวันหยุดก็ให้ไปอยู่วัดแล้วก็ไปถือศีลแปดแล้วก็ยุติการหาความสุขจากการดูการฟังการกินการดื่มต่างๆเพื่อที่จะได้เอาเวลามาทำใจให้สงบอันนี้เรียกว่าเนข ม, ม, ม่บาลมีเรา เจเลนเน่ขมมาบา ร, รมีกันบ้างหรื อ, อยังเราไปอยู่ตามวัดตามวตามวตามสถานที่สงบแล้วก็ไปถือศีลแปดกันได้หรื อ, อยังอันนี้ก็เป็นอีกบา ร, รมีหนึ่งที่ผู้ที่ต้องการจะสัมผัสกับวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์จำเป็นที่จะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้คือการไปเจรินเน่ขมมากบาลมีไปถือศีลแปดไปหาที่สงบที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงที่มายั่ยยวนกวนใจ ที่มาสร้างกิเลดตัณหาที่มาคอยสร้างความทุกข์ความไม่สบายใจให้อยู่เรื่อยๆนั่นเองอันนี้คือเนตขมมะบาลมีถ้าเราไปเนตขมมะบา ร, รมีได้เราก็ต้องถามว่าลราเราไปแล้วเราไปเจริญอุเบกขาบาลมีหรือเปล่าถ้าไปถือศีลแปดเฉยๆแล้วไม่ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิไปเจริญสติมันก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่กวนการที่เราถือเนตขมมะบาลมีเพื่อที่เราจะได้ มีเวลาไปสร้างอุเบกขาบารมีคือความสงบของใจนั่นเองที่เกิดจากความสงบของใจใจจะสงบก็ต้องเกิดจากการมีสติถ้าไปอยู่ที่วัดอยู่ที่สงบตามป่าตามเขาไปถึงเนคขมะแล้วก็ต้องไปเจริญสติไปคอยควบคุมความคิดต่างๆอย่าปล่อยให้ใจคิดให้ใจรู้เฉยๆฉฉใจนี้มีความมีมีสิ่งที่ ทำได้อยู่สองอย่างคือใจรู้กับใจคิดเราต้องจุดใจที่คิดแล้วให้หรือจะหรือแต่ใจที่รู้ให้รู้เฉยเฉยเช่นเราเดินก็ให้รู้ว่ากําลังเดินกําลังยืนก็ให้รู้ว่าเรากําลังยืนกําลังเดินกําลังรับประทานก็ให้รู้ว่าเรากําลังดื่มกาลังรับประทานกําลังทําอะไรก็ให้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรห้ามคิดห้ามไปคิดถึงเมื่อวานนี้ห้ามไปคิดถึงพรุ่งนี้ห้ามไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าไปฝึกสติเพื่อจะไปเจริญในคข ม, มะเจริญอุเบกขาบารลรมีคือทำใจให้นิ่งให้หยุดคิดได้ต้องหยุดต้องเจริญสติก่อนต้องเดินยืนนั่งนอนให้รู้อยู่กับอริยาบทการเคลื่อนไหวต่างๆแล้วพอเวลามานั่งหลับตาก็ให้ดูลมหายใจให้รู้อยู่กับลมหายใจให้รู้ว่าตอนนี้ลมเข้าหรือลมออกคนั้นนะ่ะไม่ต้องไปคิดให้รู้เฉยๆว่าตอนนี้ลมออกเข้าไปแล้ว อ่าลมออกมาแล้วแล้วถ้าสังเกตเห็นว่าลมเมื่อกี้นี้สั้นอย่างนี้ลมนี้ยาวขึ้นก็รู้เท่า น, นั้นเองไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่รู้ว่าสั้นหรือยาวก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้รู้ว่าเข้ารู้ออกก็พอ <p> เพื่อที่จะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เป้าหมายของการดูลมดูการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้ก็เพื่อให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเองเพราะว่าถ้าเราตั้งใจจะดูจริงๆนี่เราจะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ ถ้าเราไปคิดเรื่องอื่นก็แสดงว่าเราไม่ได้อยู่เราไม่ได้ตั้งใจดูดูไปแป๊บแล้วก็แว๊บไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วถ้าตั้งใจดูจริงๆต้องดูอย่างต่อเนื่อง <c oughs> ดูตลอดเวลาไม่ให้เผลอไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยถ้าเราสามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดได้เวลามานั่งสมาธิเวลามานั่งดูลมนี้ก็จะดูลมได้อย่างต่อเนื่อง แล้วถ้าดูอย่างต่อเ น, นื่องไม่นานห้านาทีสิบนาทีใจก็รวมได้รวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิขึ้นมาได้แล้วก็เกิดอุเบกขาขึ้นมาอุเบกขาก็คือใจที่เป็นกลางใจที่ปราศจากความรักชังกลัวหลงนี่เองเรียกว่าอุเบกขาใจที่มีอุเบกขานี่แหละเป็นใจที่มีความสุขอย่างยิ่งความสุขทั้งปวง นี่ไม่มีความสุขอันใดที่จะสู้กับความสุขที่ได้จากใจที่เป็นอุเบกขาในอุเบกขานี่แหละคือความสุขที่แท้จริงของใจแต่อุเบกขาที่ได้จากสมาธินี้เพียงเป็นอุอเบกขาชั่วคราวเพราะว่าจะไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาเพราะว่าเรามีร่างกายที่จะต้องมารับผิดชอบมาดูแลเข้าสมาธิไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องถอยออกมา ออกมาเพื่อมาดูแลร่างกายร่างกายหิวน้ําบ้างร่างกายต้องการเข้าห้องน้ําบ้างถึงเวลาจะต้องอาบน้ำบ้างถึงเวลาจะต้องทํานู่นทํานี่บ้างอันนี้ก็ต้องออกจากสมาธิมาพ อ, อจากสมาธิมาพอมารับรู้เรื่องราวต่างๆกิเลส ก, ก็ออกมากความรักชังกลัวหลงก็จะออกมาอุเบกขาที่ได้จากสมาธิก็จะค่อยๆหายไปถ้าไม่ต้องการให้อุเบกขาคือความไม่รักชังกลัวหลงอยู่ต่อไป เวลาเกิดความรักชังกลัวหลงขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาให้พิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจไปรักไปชังไปกลัวไปหลงนี้ล้วนเป็นตายรักทั้งนั้นล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีคุณค่าราคาอะไรที่เราจะต้องไปรักไปชังไปกลัวไปหลงด้วยควรจะปล่อยวางปล่อยให้เขาอยู่ไปตามสภาพของเขาปล่อยให้รูปเสียงกลิ่นรสเป็นไปตามเรื่องของเขาปล่อยให้เรื่องคนนั่นคนนี้เป็นไปตามเรื่องของเขา เขาเป็นอนัตตาเขาเป็นดินน้ำลมไฟเขาเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมดูแลรักษาให้เขาอยู่ไปตามความต้องการของเราได้อย่าไปยุ่งกับเขาก็ยุ่งกับเขาแล้วจะทำให้ใจเราทุกร้อนขึ้นมานั่นเองอันนี้ก็คือปัญญาปัญญาที่จะเอามาสอนใจให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นตายรัก เป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็มีดับเป็นอนัตตาเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเป็นเหนมือนลมพัดแดดออกไม่มีตนเวลาลมพัดก็ไม่มีตนมาพัดไม่มีใครมาพัดลมเวลาเกิดอะไรขึ้นม า, มามนก็ head, ร enge, ร ไ, ไม่มีใครมาทำให้มันเกิดเวลาเวลาสิ่งที่เกิดแล้วมันดับไปก็ไม่มีใครมาทาให้มันดับมันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้ถ้าไปอยากจะควบคุมบังคับก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเพราะจะไม่สามารถที่จะทำได้นั่นเองนี่คือปัญญาถ้ามีปัญญาก็จะสามารถระ ง, งับความรักชังโกรธหลงในสิ่งต่างๆได้เมื่อระ ง, งับได้ใจก็จะกลับมาเป็นอุเบกขาใจก็จะสงบนิ่งเย็นสบายปราศจากความทุกข์และจะเป็นความปราศจากความทุกข์แบบทาวอย ถ้าใช้ปัญญาเป็นผู้สอนใจให้ลางความรักชังกลัวหลงได้นั่นเองนี่แหละคือวิมุตติอันดับสูงสุดคือการหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างทาวรดับทุกข์ด้วยปัญญาแต่ก่อนจะเข้าถึงปัญญาได้ก็ต้องมีอุเบกขาก่อนจะเข้าถึงอุเบกขาได้ก็ต้องมีเนธขมมะก่อนจะเข้าถึงเนธขมมะได้ก็ต้องมีศีลก่อนจะเข้าถึงศีลก็ต้องมีทานมีเมตตาบารมี และการจะมีบารมีเหล่านี้ได้ก็ต้องมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีเป็นผู้นำทางเป็นผู้ผลักดันว่าตั้งใจว่าจะสร้างแต่บารมีแล้วก็มีวิริยะความขยันที่จะสร้างบารมีต่างๆตามตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้แล้วก็มีขันติความอดทนไม่ย่อหย่อนไม่ย่อไม่ย่ อ, ยอท้อเจอความทุกข์ยากลาบากก็สู้ไม่ถอย ถ้าสู้ไม่ถอยแล้วก็จะมีแต่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะไปถึงจุดสูงสุดอย่างที่เจ้าชายสิทธัตถะหรือสมณะโคดมได้ไปถึงได้ด้วยตนเองนี่คือเรื่องของวิมุติลถแห่งธรรมที่ชนะลถทั้งปวงคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรามาสร้างบารมีต่างๆกันการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติเอาไว้เพียงเท่านี้ ขอให้ท่านขอขอกุศลอะไรนะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเลวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตุทินังเปตานาังอุปกะปติอิชิตังปัทตังตุมหังคิดเ ป, ปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกบปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโควีนะสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีนิศานิจจังวุทธาปจายโน วช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามคำถามเชิญถามช่วงได้ในช่วงนี้จะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความก็กได้ส่งมาทางเพจหรือทางยูทู e ก็ได้วันนี้มีผู้ติ ด, ดตามทั้งหมดเท่าไหร่ นามัส ก, การพอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้ติดตามทางเฟ e บุ๊ก425ท่าน YouTube 297ท่านทางด r V. c h a n ร e l 87ท่านวิทยุออนไลน์5ท่านคระเพา9ท่านค่ะ น, นักกุฏิ232ท่านรวมทั้งหมดเป็น1 0 5 5ท่านเจ้าค่ะโอเคมีคำถามไหมใครอยากจะถามอาาเจ้าค่ะ คุใกล้ๆ น, นะครยใกล้ๆนครับขออนุ ญ, ญาตเรียนถามพระอาจารย์นะครับอผมมีความสงสัยครับว่าวิญญาณในขันห้าทําไมถึงไม่ใช่ของเราครับคือมันไม่มีตัวตนอ่ะมันเป็นธรรมชาติเหมือนกับพระอาทิตย์เหมือนกับพระจันทร์เนี่ยมันเป็นธรรมชาติปรากฏการ์ทางธรรมชาติแต่เราไปหลงไปคิดว่ามันเป็นเรามันอยู่ในตัวมันมามันมากับผู้รู้คือคือจิต ผู้รู้ผู้คิดแล้วผู้รู้นี้ก็ไม่ใช่เป็นเราแต่ความหลงไปความหลงไปบอกให้เราคิดว่ามันเป็นเราท่านี่เหมือนกันเราเมื่อก่อนเราหลงว่าโลกนี้แบนเะนี่ยทันิงมันไม่แบนใะช่ไหมมันความความหลงความเข้าใจผิดผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่มีตัวตนเหมือนกันเป็นธรรมชาติที่รู้ที่คิดแล้วก็มีความสามารถที่จะรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสนีก่กวิญญาณ แล้วก็มีความรู้สึกเรียกว่า่าเมตนาความรู้สึกอันนี้มันเป็นธรรมชาติที่มีมากับผู้รู้ผู้รู้มีมีผู้ผู้รู้แล้วก็ผู้รู้มีความสามารถคิดได้มีความรู้สึกมีความจําได้ไหมายรู้และมีการรับรู้รูปเสียงกลิ่นแล้วที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เป็นเป็นเป็นฟังก์ชั่นคุณยังไงไม่มีตัวตนเหมือนกล้องเนี่ยกล้องมีตัวตนไหมกล้องมันก็ถ่ายรูปได้ อาจเสียงได้แล่ไมนมีตัวตนเพรานั้ใจก็เหมือนกันใจก็ไม่มีตัวตน mm hmm. แต่ความหลงไปหลอกคิดว่าใจเป็นเป็นตัวตนขึ้นมาเป็นเราขึ้นมาเรารู้เราคิดขึ้นมาอันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่เราจะต้องมาแก้กันมันเป็นฟังก์ชันที่มีแต่เดิมใช่มันเป็นธรรมชาติของมันอยู่ตั้งเดิม เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันประกอบขึ้นมาจากสิ่งสิ่งหชนิดด้วยกันเรียกว่าธาตุหกคือดินน้ําลมไฟอาวากาศแล้วก็ธาตุรู้เนี่ยเมื่อมันมาผสมรวมกันก็เป็นร่างกายของสัตว์ของมนุษย์ขึ้นมาแล้วพอมีความหลงก็หลงไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราขึ้นมาแล้วก็สู้กันรักษากานแทบเป็นแทบตายแล้วในที่สุดก็ร่างกายมันก็กลับคืนสู่ธรรมชาติของมันมนจากดินน้ํำลมไฟ เรามาศึกษาให้เขาา้าใจไม่มีไม่มีตัวตวนทุกอย่างเป็นธรรมชาติครับ อ, อย่าไปยึดอย่าไปถือความยึดถือเนี่ยทําให้ทําให้เราทุกข์เพราะเราต้องไปรักษามันอะไรเป็นตัวเราของเราเราต้องรักษาแต่เรารักษามันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติ <c oughs> เหมือนอากาศนี่ไงดินฟ้าอากาศเรารักษามันไ ด, ไได้ไหมใช่มไหมต้องปล่อยมันเป็นใบทางธรรมชาติของมัน นั่นนะล่ะรูปเสียงกินแล้วก็เหมือนกันเวทนาสัญญาสังขารก็เป็นธรรมชาติ <c oughs> ให้รู้ทันมันแล้วปล่อยวางแล้วก็จะอยู่กับมันอย่างมีความสุข <c oughs> สิ่งเดียวที่เราทําได้ก็คือทําให้มันสงบเท่านั้นเองทําใจให้สงบให้สั ง, สงขารหยุดคิดหยุดปรุงหยุดแต่แล้วพอมันสงบแล้วเราก็จะได้ใจที่มีความสุข <c oughs> แต่ถ้าเราปล่อยให้มันคิดมันจะคิดตามความหลงแล้วก็สร้างความทุกข์ให้กับเรา หน้าที่ของเราคือมาทําให้มันสงบแล้วถ้าทำมันจะคิดก้มันคิดวทุกอย่างไม่ใช่เราดีย๋ยวได้ไม่ต้องไปยึดไปติ ด, ดไม่ต้องไปเป็นรับผิดชอบเข้าใจไหมอะไรเป็นของเราเราต้องมารับผิดชอบใช่ไหมถ้าบ้านคนอื่นแล้วต้องรับผิดชอบไหมไม่ต้องนั่นแหละแค่มองทุกอย่าง <S <S <chegar S 1> ไม่ใช่ของเราเราจะได้ไม่ต้องไปรับผิดชอบเดี๋ยวมันก็ต้องพังไปตามธรรมชาติของมันทุกอย่างมีเกิดมีดับแต่ถ้าเป็นของเราเราเราอยากจะให้มันไม่ดับใช่ไหมใช่เราพร้อมพร้อมไม่ได้เราก็ทุกข์ใช่ไหม <c oughs> ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยของเรคือ จ, จริงๆก็คือมันไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกแล้วไ ม, ไม่มีของเราเรามาหลงเองน้องคิดเองเพอได้ร่างกายก็ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นไหมพอได้บ้านกับเป็นบ้านของเราได้รถก็เป็นรถของเรา <c oughs> ได้แฟนก็เป็นแฟนของเรา <c oughs> พอเขาจากเราไปก็เสียใจทุกข์ใจใ <c oughs> นวิธีที่เราจะปล่อยได้แล้วต้องสร้างความสุขให้กับเรา <c oughs> ทําใจให้เรามีความสุขที่เราไปมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเราที่ว่าจะให้ความสุขกับเราไง แต่มันไม่ได้ให้ความสุขอย่างเดียวมาให้ความทุกข์ด้ว ย, ยงั้นมาหาความสุขในใจเราทําใจให้สงบพอใจเรามีความสุขแล้วเราก็ไม่ไปยุ่งกับเรื่องอย่างอื่นได้ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเรานะข้าใจไหมคข้าใจครับขอบคุณครับงั้นไปปฏิบัตินะไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วต่อไปก็จะปล่อยวางทุกอย่างไนดะ้ขอบคุณทุกนมครับ คำถามต่อไปจากน้ากุติค่ะมอบทรัพย์สมบัติให้บุตรถือว่าเป็นการให้ทานหรือเปล่าครับให้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นการให้ทานแต่ถ้าเขียนพินัยกรรมไว้นี่แสดงว่ายังไม่ได้ให้เวลาตายไปก็ไม่ได้ให้เพราะตายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครหายไปหรือไม่ท่านอยากจะให้เป็นบุญเป็นทานก็ต้องให้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ คำถามจากหน้ากุฏิค่ะอยากเรียนสอบถามเรื่องสัญญาอุต์สิบข้อรูปสัญญาอารูปสัญญานี้เป็นอย่างไรจะระวางได้อย่างไรคะโอ้โห น, นี้เรื่องอย่าวต้องมันนี้ไม่มีเวลากล้จะหมดเวลาแล้วหรือลองเข้าไปอ่านใน Google ดูก็ได้นะอ น, นี้ค้นหาได้สัญญาอุตส่าห์เขียนเข้าไป คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามรบกวนแอดมินกลับเรียนถามพระอาจารย์ขออุบายสําหรับคนผิดหวังในความรักหรืออุบายในการลืมคนรักเก่าครับจะเอามาเป็นบทเรียนสอนใจว่ามันสุขแล้วมันทุกข์ถ้ามันทุกข์ก็ต้องรู้จักเข็ดลาบทั้งต่อไปก็อย่าไปมีเอาความทุกข์ในตอนนี้มาสอนใจว่าเจ็บแล้วต้องจำนะไม่ใช่เดี๋ยวก็ลืมนะเดี๋ยวก็ไปได้ใหม่อีกนะ คำถามต่อไปจากคุณสุดใจปราบพานการที่เราจะรักษาสินแปดรักษาได้เลยโดยไม่ต้องสมาธิได้ไหมคะได้รักษาได้ก็รักษาไปเลยไม่ต้องสมาทานสมาทานก็คือความตั้งใจนะน้งวันนี้วันพระตั้งใจจะรักษาสินแปก็รักษาไปเลยก็ถือว่าสมาทานแล้ว วิธีสมาทานมันมีหลายวิธีสมาทานกับพระก็ได้สมาทานกับตัวเราเองก็ได้สมาทานกับพระรัตนตรัยก็ได้แล้วแต่เราจะสมาทานจากใครคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกรบาบขอโอกาสสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าถ้าเรามีความเมตตาช่วยเหลือแก่ญาติพี่น้องและเขามาว่าเราเป็นคนโงท่ที่ช่วยเหลือเขาเองอย่างนี้ลูกจะทำใจอย่างไรเจ้าค่ะจะไม่ให้มีความโกรธเจ้าค่ะ กระเพเาะเขาโง <S <S <น>่ไ <ría> เขาไม่รู้ว่าเราฉลาดเขาไม่รู้ว่าการให้นี่เป็นการได้ความสุขการได้เนี่ยเป็นการได้ความทุกข์เพราะได้แล้วอยากจะได้อีกเพราะไม่ได้ ก, ก็จะทุกข์แต่คนให้นี้มีแต่ความสุขงั้นถ้าเขาว่าเราโง่แสดงเขาโ ง, ง่โง่มากกว่าเราเราฉลาดกว่าเขาเราอยา่าไปโง่ตามเขาพราะเขาว่าอะไรก็ไปเชื่อเขานนีแสดงว่าเราโ ง, ง่ง คำถามจากคุณวัฒนากราบขอโอกาสครับนักปฏิบัติที่ยังอยู่ในทางโลกทําไมถึงเหมือนว่าโดดเดี่ยวในบางครั้งเพราะผู้คนรอบข้างต่างมุ่งหาทรัพย์หวังรวยแต่นักปฏิบัติกลับหวังจสะสละทรัพย์และภาระออกจากกายใจซึ่งต่างกันเหมือนหน้ามือกับหลังมือขอพระอาจารย์ให้ข้อคิดพูดใจให้มั่นต่อการปฏิบัติด้วยครับก็มันคนละทางกันไง คนที่เข้าไปทางหาลาบยศเสริญสุดกับคนที่หามรคนิพพานไปคนละทางกันงั้นก็อย่าไปหวังว่าเขาจะมากับเราทางนี้เป็นทางที่ส่วนใหญ่ต้องไปตามลำพังกันหรือไปไปปฏิบัติร่วมกันไปอยู่กับพวกเดียวกันไปบวชเนี้ยพวกบวชนี่เขาก็จะไปมรคนิพพานพวกที่ไม่บวชเขาก็จะไปหาลาบยศเสริญสุขค่ะถามต่อไป การถือศีลหา้าทำทานปฏิบัติภาวนาทุกวันพยายามรู้ตนกิเลสเกิดขึ้นรู้ตัวดวงจิตละอายต่อบาปแต่เวลาฝันกับแต่เวลาฝันกับฝันเห็นราคะหมายถึงอย่างไรครับหมายถึงว่ายังยไม่ได้ละราคะนั่นสิยังยังละไม่ได้สมบูรณ์ก็พยายามละต่อไปละไปะยังทั้งมันไม่มีแล้วต่อไปนอนหลับมันก็จะไม่มีมันก็จะไม่ฝัน มีคำถามฝากถามมาเจ้าค่ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนรรมสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะเนื่องจากยังมีผู้ที่มีความเข้าใจว่ากุ้งปลาเป็นอาหารของมนุษย์ดังนั้นการมนุษย์ ที่ซื้อกุ้งที่ยังไม่ตายการตกปลาเพื่อมาทําอาหารจึงไม่บาปเพราะสมัยก่อนก็ทํากันหรือเข้าใจว่าการซื้อปลาจากแม่ค้าที่เตรียมปลาเป็นเป็ไว้ค่าสดสดให้ลูกค้าโดยลูกค้าไม่ได้ชี้ระบุว่าเอาตัวไหนก็ไม่บาปเพราะเพราะลูกค้าไม่ได้เลือกเองจึงอยากขอความเมตตาท่านพระอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับความเข้าใจดังกล่าวว่าไม่ถูกต้องเพราะเหตุใดและความสําคัญของการรักษาสินข้อหนึ่งเจ้าค่ะ รือว่าคนเราไม่ว่าคนหรือสัตว์นี่อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกินกินเนื้อสัตว์ของผู้อื่นไม่ต้องฆ่าทีนี้ความอยากกินของสุดๆของหวานๆจากเนื้อสัตว์ก็เลยอ้างเหตุนั้นอ้างเหตุนี้ทําไมไม่อ้างกลับอย่างนี้นพวกเสือที่มันกินคนมึงก็บอกคนนี่เป็นอาหารของมนุษย์ไออาหารของของเสือเราก็ต้องยินดีให้มันกินชีวิตใครใครก็รักใครก็ห่วงอย่าไปทําร้าย ทำร้ายแล้วมันจะทําให้เขาทุกข์แล้วเขาเขาก็กลับจะมาอาฆาตพยาบาทเราได้ดังนั้นอย่าไปอย่าไปฆ่าีวทุกชีวิตนี้มีคุณค่าราคาทุกคนรักชีวิตของตนเองเพราะฉะนั้นอย่าไปอ้างว่าชีวิตเขาเป็นอาหารของเราแล้วถ้าเขากลับมาอ้างว่าเขาเราก็เป็นอาหารของเขาบ้างมันจะคิดอย่างไร เดี๋ยวคำถามสุดท้ายนะเวลาใกล้จะหมดแล้วเนะ่าค่ะคำถามจากคุณจีรารัตน์กราบนามัสการพระอาจารย์ความสงบระดับที่รู้สึกว่าตัวเองหายไปเหลือแต่ความรู้ถ้าคิดก็รู้ว่าคิดเคยมีครั้งหนึ่งจิตตั้งมั่นมากและไม่ยอมให้ความคิดไปต่อได้เลยอีกทั้งเวลาก็ผ่านไปเร็วมากนี่คือชา้นสีใช่ไหมคะ ก็มันไม่ได้บอกหมายเลขไม่เป็นไรหรอกมันมันจะชานไหนก็ช่างมันขอให้มันสงบให้มันนิ่งไปแล้วมีความสุขไปนานๆก็แล้วกันโอเคนะวันนี้เวลาหมดแล้วก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด